ปราศจากความคิดปรุงแต่งเสริมเติมยิ่งเสียงจจ ก, กจันเรไรตามสมทุพพุ่มไม้ในละแวกใกล้ดังระงมกระทบโสดฉันเห็นอาการไหวตัวของจิตคือมีอาการแปลจากลักษณะรู้ที่จิตเองไปรับรู้สั่เสียงหน้าอภิรมของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยข่ายคลื่นเสียงดุดมนกล่อมโลกนั้นก่อให้เกิดความสงบที่จิตและมีความพึงใจในรสแห่งความสงบนั้น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 จะเหลืออะไรนอกจากความว่างจากตัวตนฉัปันนั้นเองฐานที่ยืนของอัตตาก็หมุนควงสู่ความทลายลงดุดความพินาศของพื้นโลกกลายเป็นความว่างหายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนถัดมาจึงบังเกิดแสงสว่างพลุ่งโคลนจากความว่างพิสุทธิ์ดุดเดียวกับสายฟ้าที่สว่างขึ้นรอบทิศ ย, ยังความมืดมนอนทการให้หายไปลายเห็นแต่ความจริง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 3. ศีละพะตะปรามาสความเข้าใจผิดว่าความบริสุทธิ์อาจเกิดขึ้นได้ด้วยศีลพรนนอกศาสนาที่ปราศจากมักมีองค์8 4. ดกามราคะความติดใจในกามคุณ 5. ปติฆะความกระทบกระทั่งในใจ 6. รูปราคะความติดใจในฌานอาศัยรูป 7. อรูปราคะ